คุยเรื่องกระถินหน่อยนะกระถินนี้เป็นพุทธบัญญัตินะไม่ใช่ประเพณีวันเรานี่ก็ทอดกระถินวันที่ที่สิบก้ากระถินก็เป็นเรื่องของการถวายผ้านะสมัยก่อนเนี่ย้องช่วยกันทำได้หลายคนได้หลายรูปทำผ้าจีวมรมันก็ยากยิ่งถ้า บัญญัติเอาไว้ว่าทำจีวรทั้งผืนให้ทำวันเดียวให้เสร็จเลยนะในมาติกาแปดเนี่ยให้เสร็จในวันเดียวสักกะตะเย็บย้อมเลยบนวันนี้ให้จบกระถินเนี่ยจะทำในวัดที่มีภิกษุห้ารูปขึ้นไปบางแห่งปัจจุบันนี้ก็เป็นประเพณีว่าแยดโยมเขาศรัทธาอยากถวาย ถวายเรื่องกระถินก็เลยเอาไปในมนพระในอาวาสอื่นมาปราณนี้ความสำคัญเดิมๆก็เพี้ยนไปหน่อยจุดประสงค์ของกระถินอาจจะเป็นเรื่องของจตุปัจจัยที่จะต้องมาบำรุงรักษาสอมแซมเสนาสะนะทั้งหลายความสมรู้คีตกไปอยู่ที่โยมด้วยโยมเป็นผู้ถวายกระถิน จะทำกะถินได้ก็เป็นเป็นบุญมหาทานเป็นการลทานถาวายเฉพาะช่วงออกพรรษาหนึ่งเดือนถ้าเกินนี้ไปก็กลายเป็นผ้าปา่าแต่ถาวายในช่วงนี้ก็เป็นกะถินนนอกจากนี้ไปก็เป็นผ้าปา่านั่นก็มีเวลาอยู่หนึ่งเดือนสมัยก่อนการหาผ้าโดยความเข้าใจจริงๆก็คือ สมัยตะก่อนหาผ้า ย, ยากแล้วก็มาเย็บต่อกันแต่ว่าจะเหมือนว่าถ้าคนจะมัดสายจะด้วยกันก็จะมีพิสูรรูปหนึ่งะที่มีจีวรเก่าค่า้ำกลาแต่เขาบอกว่ามีความเฉลียวฉลาดสามารถระทำกตินฑะธัรากิจให้สาเร็จรู่ล่วงไปได้คือฉลาดในการที่สักกะถัดเย็บย้อมเนาเนี่ยได้รู้จักอดีศงห้าว่ามีอะไรบ้างมาทิกาแปอ เนีพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะยินยอมมอบให้กับพิสุรูปนั้นผู้มีอาชาระงดงามเหมาะสมอะไรประาณนี้เดี๋ยวนี้เขานิยมมอบให้จเจ้าอาวาสนะแต่จเจ้าอาวาสจะมอบให้ใครอีกเรื่องหนึง่งมอบให้ใครละ่ะเป็นเราปรารบการรกสง์ที่นี่มีเท่าไหร่เอารูปไหนโหวดควรตกเป็นของใครอย่างเราโหวด ก็จะเป็นภาคกติธรนมเรียกว่าอุปโลกนึนเงเป็นตกเป็นของใครดีจะมอบหให้ใครจะให้ใครก็สเสนอชื่อคนนั้นมาและไม่มีการทักท้วงขึ้นให้ทำกลางส่งให้อนุโมธนากิจกรรมเนี่ยต้องทำให้เสร็จในวันเดียวพายในยิบสี่ชั่วโมงวันทีเขาก็ทำตั้งแต่นูนตั้งแต่หกทุ่ม ทำละแต่มีข้อแม่อย่างหนึง่งคือผ้าทั้งหลายนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้เป็นผืนมาคนละเล็กละน้อยลเล็กละน้อยกาสวยหาจีวรก่อนออกพรรษาสิบห้าวันเนี่ยเขาจะให้ไปละไปหาจีวรคือไปหาผ้าเศษมานะ่ะแล้วมาเย็บรวมกันในวันกระถินน่นวันนึงเอาวันไหนก็ได้คือเอามาแล้วไปแปะดูวางวางวางวา ง, วา ง, วางดูว่ามันพอผืนหรือยัง ถ้ามันเอ้ะถึงผืนแล้วเนี่ยก็เก็บไว้จะเขาห้ามเย็บก่อนน ะ, นะห้ามเย็บก่อนคือถือว่าเป็นผืนเป็ผื่นของใครของมันเดี๋ยวเอามารวมกันในวันนั้นคนแล้วเท่าฝ่ามือเท่าฝ่าเจ็บตัวเท่าฝ่าสะบงอะไรประมาณนี้ยใครได้ผืนเล็กผืนน้อยผืนใหญ่คือจะให้เป็นเครื่องบรรณาการกับภิกษุที่จะมารวมกันแล้วมีจีวรเก่าคำกราดจะให้เขาได้มีความรูล้ลึกถึงกันมีความสามัคคีกัน ทำกิจกรรมร่วมกันมีความโมจีวรนที่ได้มาก็ได้จากกะถินงานนน้นงานนี้เราไปอยู่กับท่านท่านเมตตาเนาะเลก็ได้กระถินไปอะแต่ว่าเวลาทำเก็ต้องตีไม้ตีไม้เป็นกรอบเป็นแบบเหมือนเราสร้างบ้านะ่ะตีไม้เป็นผังตีผังบ้านเสร็จ ป, ปุ๊บก็เย็บแล้วก็ขึงเอาไว้ชินเล็ก จี๋ล็กๆก็ไเป็นไรอะ่ะพอมันโตขึ้นโตขึ้นน่ยมันต้องขึงขึงแล้วก็เย็บเย็บให้เต็มในกรอ บ, บนั่นแหละออกมาเป็นผ้าจีวรหนึ่งชิ้นนะทีนี้บางทีพอขึงเสร็จ ป, ปุ๊บอยู่ตรงกลางตรงไหนอะ่ะก็บางทีก็เย็บออกสองฝากทานี้ทางนึงท่านั้นอันนึงนะหรือจับสี่องค์อีกองค์หนึ่งเย็บตรงกลางกอจะตัด จะแต่งจะเย็บจะย้อมรับหน้าที่กันไปถ้าไปร่นหนึ่งก็ยากลำบากย้อมก่อนว่าเย็บหรือเย็บแล้วค่อยไปย้อมก็ได้สักกะตัดเย็บย้อมเนาอุปโลกกฐิฐานได้ก็ว่าไว้ทีนี้มันมันมีการกระทาที่ที่ต้องตีแบบตีแบบตีผังเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่ากะถินทำกะถินคือทำแบบทำผังมันเพื่ออะไรเพื่อจะทำผ้า ตัวกระถิญที่จริงไม่ใช่ตัผ้าเนี่ยจะเป็นตัวไม้เสดึงอ่ะกระถินแปลว่าไม้เสดึงเสดึงเหมือนเขาถักผ้าเนี่ยมันจะมีไม้เสดึงกลมๆแต่อันนี้เป็นเหลี่ยมเราทาเอาตีไม้แบบกรอบวันนี้หรือบางแห่งบางทีอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะเราทําไว้ถาวรอะไรประมาณนี้ยเย็บเขึงนั้นบางทีบางแห่งเขาเรียกว่าจุดแลก้กรถิญกรถินแล่นกรถินด่วนเนี่ยทําให้เสร็จไวๆเขาก็จะ เอาผ้ามาเตรียมไว้พระที่ฉลาดเขาจะเย็บหรือบางทีก็ให้โยมเย็บปันนั้นนะ่ะมาต่อกันบางแห่งหนักเข้าไปหน่อยก็คืออย่าไปที่ไม่จำนะที่เชียงใหม่โยมคนหนึ่งเขาจองกระถิน่นพอจองกระถินปุ๊บเขาหวานไฟ้ปีนี้หวานไฟ้เก็บไฟ้ามาแล้วก็เริ่มนะทำเป็นเส้นใหญ่เป็นทักเป็นท่อเป็นดิบเป็นอะไรค่ะ คือผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจำนำพับนังแรงเขาทั้งหมดเลยเามาเย็บต่อกันทอเป็นเส้นเส้นได้แล้วมาทอเป็นผืนพอผืนแล้วเขาค่อยไปถวายคือทั้งหมดเลยเนี่ยนะเกิดขึ้นจากความมุสาหะวิริยาของเขาเองทาเหมือนสมัยพุทธกาลนะนบางแห่งบางวัดก็จะมีการเย็บปะนั้นติดปะนั้นต่อปะนั้นนะ แต่มอบถวายวันนั้นอาจจะพิเศษตอนค่ำค่ำมืดมืดแต่ยังไงก็ทําให้เกินคืนหนึ่งถ้าว่ามันเกินราตรีไปก็กระถินดอกนั้นพระสงฆ์ก็จะต้องช่วยกันเต็มที่ถ้าไม่ช่วยเต็มที่ก็คือกระถินก็ดอกไปเองโดยธรรมชา ต, ติหมดความหมายไม่ได้เป็นกระถินทีนี้ในความหมายต้นบัญญัติของการโทดกรถินเนี่ย เ, เวลาทอดกรถินก็จะมี เ, เครื่องด้วยนะ เครื่องอุปกรณ์สําหรับกระถิ่นในมันมีอะไรบ้างล่ะในวัดหนึ่งๆเขาใช้ไปทําอะไรบ้างทําการทํางานเนี่ยเราจะเห็นในมีเครื่องไม้เครื่องมือมีสิวมีควานมีตะปูมีอะไรมีเลื่อยมีเลื่อยคือเครื่องมือซ่อมแซมกุฏิวิหารในวัดนั่นแหละอะไรที่มันขาดแขนหม้อไห้พวกเนี้ยหม้อแล้วมีไหมเบอร์นั่นเบอร์นี้ทําครัวหรือ้ย ก็จะมีนะพอจอบไดา้ยาค้อนตีตะปูเลื่อยซ่อมนี่นี้ก็เปลี่ยนไปนะอย่างที่วัดเนี่ยคขาว่าเอาอะไรมั่งก็เอาแบบบนนั้นแหละโบราณ น, นั่นแหละแล้วก็จะมีสำรับสำรับหนึ่ง๋ต่ที้เขาก็เปลี่ยนเป็นปิ่นโตนะโตถวายเครื่องอัด บ, บริขารวไม้กวาดพวกเนี้ยอัสนะ เดี๋ยวนี้อาจจะถวายมือถือไปด้วยก็ได้ไม่รู้นะความจำเป็นของพระเนี่ยบางแห่งบางวัดเขาก็ถวายรถปิกอัพเนี่ยถ้าเกความจำเป็นนะที่นี่เข า, ขจะจะพาพเ้าจะเจ้าภาพเ่าถามว่าลุงตาจำเป็นอะไรไหมก็สิ่งที่จำเป็นเหมือนเรามีแล้วนะที่วัดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร ให้จำเป็นอย่าหนึ่งก็คือเอา้าทําโบสถ์ท่านี้นต่ก็ว่าทําโบสอันอื่นก็เหมือนพวกเราทําเองกันได้แต่ถ้าทําโบสมีเรื่องใหญ่หน่อยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจะถูกปัจจัยที่มากับบริวารกรถิ่นนะแต่โบสถ์มันเป็นเ ง, เงินที่ใช้เยอะอืใครก็ไม่อยากถวายเท่าไหร่พอถวายแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยตัวใช้ใจ่ายเงินทองเยอะแยะนะ กรถิ่นนี่คนก็เยอะลิขิตกายกลายเป็นว่าถ้าถวายกรถิ่นที่ไหนแล้วยอดกรถินน้อยเป็นเรื่องที่อายน่าอายเจ้าภาพอะไรประมาณเนี้ความคิดมันไปแบบนั้นซะมันไม้เป็นเส้าว่าเจอถวายกรถิ่นนี่อาจจะเป็นผ้าพื้นได้พื้นหนึ่งก็ไรพระจีวรพืนหนึ่งสังขติพื้นหนึ่งสวงพืนหนึ่งก็ได้แล้วที่จะถวายพื้นไหนเท่าได้นั้นก็ถวายอนั้นนะ ทำกรถินเนี่ยถวายผ้ากรถินเนี่ยแต่คนไม่รู้ก็จะมุ่งไปที่เงินทองเข้าของแต่ถ้าวัดเป็นวัดหลวงเนี่ยเนี่ยวัดหลวงวัดที่ในหลวงนะเขายกขึ้นเป็นฐานะเป็นวัดหลวงเนี่ยก็จะเป็นกระถินจากทางหลวงสำนักพระาชวังเป็นคนถวายกรถินถวายบุญถวายกรินเนี่ยจริง ในประเทศไทยเนี่ยก็ทำกับทุกศาสนานะมีกิจกรรมเลยเขาก็มีอบุญประเพณีที่เป็นเรื่องของพระราชทานมาของพระเจ้าพระสงค์นี่คือมีในบุญทษกรถินกรถินก็ใครแต่ท่านไม่มาเองนะท่านจะมาเองอประมาณเก้าวัดเก้าวัดวัดนี่จะมีชั้นวัดนะมีชั้นนะมีชั้นเป็นลําดับลําดับลําดับ ลำดับที่หนึ่งก็คือพระอารามหลวงชั้นสา ม, มัญชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกวัดเนี่ยโยมอัจจะไม่รู้จักนะวัดมันมีลำดับมียศนะวัดอย่างของเราเนี่ยเป็นที่พักสงฆ์เถื่อนนั่นเองเป็นสำนักสงฆ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไร ถ้าเป็นวัดก็เจ้าอาวาสก็จะได้เงินเดือนด้วยในการบริหารการจัดการทางาทางโลกเขาสนับสนุนเป็นเงินเดือนถ้าวัดประมาณรู้สึกว่าสามพันห้าร้อยบาทนะเจะ้าอาวาสแต่ก่อนห้ารอยบาทตอนนี้มาสามพันห้ด 3, า<ม>ด้วยวัดหลวงเนี่ยธรรมดาก็จะเป็นวัดทั่วๆออไปอะเราสังเกตง่ายๆนะ บางทีก็สะเกตยากนะเขาเริ่มต้นตรงที่วัดไหนที่ในหลวงไปสร้างหรือวัดไหนที่ตระกูลกษัตริย์นิยมไป เ, เขาเรียกว่าวัดหลวงวัดไหนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เขาถือว่าเป็นวัดหลวงถ้าตกหล่นเขาก็สํารวจไปยกขึ้นเป็นวัดใหม่วัดในอดีตการในหลวงสมัยโน้นสมัยนี้เขาทํานะ ราชการนั้นราชการนี้นีนนน่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าวัดหลวงเมื่อที่ก็ขอพระราชทานเพิ่มเติมวัดไหนที่มีความสําคัญมีพระเถระผู้ใหญ่อยู่นานๆวัดมีความสวยงามดู ด, ดีสะอาดสะอานขึ้นมาแล้วเขาก็ปรับยกเลื่อนฐานะเป็นวัดหลวงที่นี้วัดหลวงพวกนี้เนี่ยอืทางราชการหรือสํานัก เพราะราจะหวังหรือได้หลวงเนี่ต้องเป็นคนไปทอดกรถินนะวัดเนี่ยแต่าเวลาไปไม่ได้หรือบางทีเป็นปีเป็นเดือนมันก็คือต้องหาหาคนรับเป็นเจ้าภาพให้ต้องหาคนเป็นเจ้าภาพหน่วยงานหนึ่งหนึ่งเขาจะมีเขาจะมีหนังสือเขาบอกว่าให้จองกระถินนะวัดเนี่ยอาจจะธนาคารกรุงไทยแบบเนี้ยธนาคารทกสแบบเนี้ยหน่วยงานการป่ า, ปา กระทรวงมหาดไทยอะไรก็ว่าไปหน่วยงานหนึ่ ง, งของราชการเนี่ยต้องสามารถรับสนองพระราชองค์การคือไปทอดกระถินแทนพระเจ้าอยู่หัวได้ต้องมีแห่งหนึ่งที่หนึ่งต้องรับเอาแหละในประเทศไทยก็มีเยอะเนาะรับเอาแล้วก็ไปทอดกระถินก็รวบรวมในหน่วยงานตัวเองนั่นแหละไปทอดกระถิน่นเขาเรียกว่าไปขอพระราชทานไปขอราชทาน ให้พระราชาอามอบให้พวกเราเป็นตัวแทนไปถวายแทนสมว่าพวกเราอย่าถวายวันนี้แต่วันนี้เป็นวันหลวงอะไรหลวงก็ทำหนังสือเรื่องยื่นขื้นไปท่านก็จะพระราชทานให้ผ้าไตรมาหนึ่งชุดเอาเอาไปถวายแทนเดินล้วก็ถือผ้าไตรมาส่วนเจตุปัจจัยเงินทองของบริวารกระถิน่นเราเป็นคนจัดการเองท่านให้เหมือนไฟพระราชทานไปนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันให้ ภาพพกระถินมาเราก็ไปถวายตั้งแต่จะกำหนดเอาวันไหนะแต่ถ้าเจ็ดแปดวัดเนี่ยท่านเดียวถวายเองเดี๋ยวนี้ถวายทางน้ําทางเรือบนบกขี่เครื่งบินไปถวายมีเยอะแยะไปถต่อไปพระสงฆ์พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดหลวงนี่ส่วนมากก็จะมียศถาบรรดาศักดมีตาแหน่งเขาเรียกว่าสัมปณะศักดิ์ สมณศักดิ์ศักของพระนะไปรับมาแล้วก็ถวายเเรียกว่ากรถินหลวงนะบางทีชื่อวัดเนี่ยสำคัญวัดพระธาตุพนมวรวิหารชั้นวรวิหารเยชัน้นพระรมหลวงชั้นชัน้นโถชั้นวระนะทีนี้ถ้าเอกก็จะเป็นราชวร วิหารก็มีนะที่ใหญ่ๆเนี่ยอย่างวัดเบนเนี่ยวัดเบนจมะโบพิษสถิตมหาสีมาลามสิมใหญ่ราชวัดอรุณราชชวาร า, รามมันมีอ่ะขึ้นเขาใส่คาว่าราชเข้าไปถ้าวัดสำคัญสาคัญเนี่ยจะใส่ราชเข้าไปถ้าธรรมดาไม่หนักอเลยก็เป็นวรวิหาร นะวระมหาวิหารก็โตขึ้นหน่อ ย, ยคือเราก็สังเกตจากพวกนี้นะแต่หลายๆวัดก็มีอย่างวัดไตรมิตรวิทยารามยไม่มีคือส่วนมากจะเป็นแบบนั้นก็เป็นชั้นเอกชั้นโทชั้นตีพระอารามหลวงแบบชัน้นนอกชั้นในว่าเ ม, มากมายหลากหลายนะที่กิจวัตรราชเจะาปณีก็จะต่างไว้หน่อยนะแต่ทั้งหลายทังปวงก็คือเหมือน เหมือนทางราชกิจเขาจะจองเอาไว้อยู่แล้วถ้าเราอยากทอดก็ไปหามาทอดเปลี่ยนคือทำแทนในหลวงนั่นเองอะเรื่องใส่วันนี้แล้วเกินน้อเนี่ยไปขอพระราชทานพา้าไตรมาไปถวายแทนท่านเขาก็จะสอบประวัติเราที่เราถวายเนี่ยไปเอาถูกต้องไหมสมควรไหมเหมาะสมไหมอะไรมาแล้วเขาก็จะอนุโลมมาให้ ทีนี้คำทอดกระถินคำอะไรของของ เ, อเวลาให้พรเนะ่ะเราให้พรในหลวงแล้วนะไม่ได้ให้พรคนที่มานะนะขอให้มีอายุยั่งยืนนานที่ครยุโกโหตุมหาราชานะคือฝากขอบคุณมหาบพิตรราชสมภารเจ้านน่น ที่ทันกรุณาเมตตาวัดนั้นวันนี้บางทีก็มีจุลกะถินจุลกะถินทําน้อยๆคิดวันนั้นทําวันนั้นนะจุลกระถินหรือบางทีเขาเรียกว่ากะถิ่นเล่นกระถิ่นเล่นจุลกะถินเก็ถินแล่นโจลกะถินก็มีนะมหากะถิ่นเหมือนนี้โจลกะถินจุลกะถินมหากะถิน ก็ไปทอดญาติโยมเขาก็รวมตัวกันดีจังน่ะวันทอดกรถินเนี่ยเขาเอาใจใส่ดีเหมือนกับทางวัดนี่แหละวัดก็เอาใจใส่ดีสมมติวัดวัดหนึ่งเนี่ยออวันเสาเอ้ยผมไม่เอากระถินนะผมไปเลยเด้ออะไรวันเนเอ๊ะโยมคนรู้สึกว่าเขาเองยังมีความสามัคคีเลยแล้วพระอยู่ในวัดเนี่ยทําไมไม่สามาัคคีอ่ะอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปก็ไม่มีความเหมาะสมนะอนเนี้ยฮั้นไปอย่จะนะจะบอกเขาอยู่เสมอว่าทำอะไรให้มันเสร็จก่อน ไปรับกระถิ่นผ้าป่าเลยก็ทําให้เสร็จช่วยเลี้ยงกิจการงานของวัดท่านมันก็จะดูดีอะสวยงามขึ้นมาแต่ถ้าวัดน้อกๆเนี่ยก็สมมติก็จะเป็นหมู่บ้านเราเองถวายกันเองกรถินเนี่ยมันนอกๆเอารวมกันเนี่ยอย่างบ้านกลางบ้านนอกนี่ทำใหัวเก็บกันเฮือนละสองร้อยเด้อเนี่ยเก็บกันเฮือนผ่านเนี่หลังคาละสามรอยบาทเอามารวมกันเนี่ ไปทอดไปซื้อเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายไปถวายพระซื้อผ้าไต่ซื้ออะไรถวายถ้าเป็นวัดเราเนี่ยเขาก็ว่าเหลวงตาจะเอาอะไรเนี่ยหลวว่าเออเาสิวเหมือนกันละเอาสว่านเหมือนกันนะเอากบใส่ไม้เอามาส่องบัดส่องว่าเอาเข็มมาอะไเหมือนกันอนะแต่ว่า <c oughs> มันเปลี่ยนไปนะเนาะอ้าขอสว่านเหมือนกันแต่หลวงตาขอสว่านไฟฟ้าเอง เอากบไฟฟ้าอะไรบางก็ต่างไว้นะขอเครื่องซักผ้าหน่อยเครื่องซักผ้าไฟฟ้าหนักนะนักนก็สิ่งทันไรทั้งวงเหมือนกันอยู่กับที่เลยเนะี่ยอกบใส่ไม้นี่น่หน่อยจจะเป็นอย่างนึ่งเอาคอนตีไฟฟ้าอย่างเงี้ยไปพัฒนาไปอะไรเนี่ยมันอะไรหลายอย่างเราขัดแคลนในหล่ะเครื่องมือเผยแพร่ไมโครโฟนเยอะเลยประมาณนั้น นะเครื่องถ่ายวิดีโ อ, อ <c oughs> เลยคือมันเปลี่ยนไปอะ่ะก็ช่วยกันในเรื่องที่อะไรมันที่จำเป็นทีไ่ไม่จำเป็นก็นแล้วไปแต่เ่บอกว่าจะขอของในสมัยที่ควรขอกั บ, บคนที่ควรขอนะการขอเนี่ยการขอผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ผู้ ถูกใจพอใจของผู้ถูกขอผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ขอผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้ขอนะะปัญหามันท่านที่นี่ก็ไม่ได้ขออะไรนะเรากรถินเนี่ยหลวแตก่ก็ยังไม่เคยขอนะะไม่เคยขอขอกรถิ่นหน่อยเด้อขอนน่นนี่ไหม่ะจะให้เปิดป่ากขอกรถินเนี่ยเวลาได้กระถิ่นมาไ ม, ไม่ใช่กระถินนะ มันเพี้ยนไปมันเป็นเรื่องอื่นไปอ่ะบางทีเขโอ้ลงไปกรุงเทพนะช่วงนี้หลวงพ่อท่านไปลงกรุงเทพเราจะเห็นนะวัดนั้นวันนี้ไปขอกระถินเขาไปขอกับใครกับญาติพี่น้องเราเนี่แหละสมมติคนที่ลงไปทํางานที่กรุงเทพเนาะไปทํางานอัน น, น, นั้นทํางานนี่โอ้รวบรวมกันเด้อพี่น้องบ้านเราเนี่มีกี่ใครบ้างล่ะทํางานที่ไหนพากันไปทอดกระถินที่บ้านหน่อยเด้อเขาก็มาเป็นขันรถเป็นความสามัคคีเขา เขาก็มาสร้างอันนี้เป็นอนุสรว้สร้างประตูสร้างศาลาอะไรก็ว่าไปนะจะเป็นอ น, นุสรสำหรับเขาอะนะเขาก็ทำดูดีนะทำดีทำงามมาโทษกระทิ้นอาจจะมีมหโสบครบงานในโน่ น, นนี่เข้าไปก็ยาวไปหลายเรื่องคนมาอยู่ด้วยกันเยอะแลก็เปลี่ยนไปแต่เงี้ก็ตามนะพูะพุทธเจ้าท่านกระตัสเอาไว้ถึงปฐมบท ปฐ ม, มเหตุของกระถินเนี่ยคือสมัยหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาถานเวลาออกพรรษาแล้วเขาไม่มีกระถินไม่มีอะไรสมัยก่อนไม่มีอะไรก็พอกันเดินทาง mm hmm. ไปฟอบบ้องพระพุทธเจ้าที่ชีตะวันพระพุทธเเสด็จประทับอยู่ที่นั่นเดินทางไปทับแต่ว่ามันเป็นปลายฤดูฝนเนาะไมารู้ฤดูฝนฝนก็ยังมีอยู่ไปก็เปียกปอน น, นนะแต่ก็ไม่ไกลหรอกเพระาะว่าซั่ก หกโยชนนี่แหละสี่วาหนึ่งยี่สิบเส้นวาหนึ่งยี่สิบยี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยชนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยชนี่นี้ประมาณก็หกโยชนี่แหละโอ้โหเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้ า, าเทวดาว่าเปียกระหว่างทางเปียกป้งแปมเลยเฮ้ย อ, อ, อย่าไปกราบเพราะออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าท่านคงเสด็จไปที่นู่นที่นี่แเลยว่าเออ อืเรามาอยู่ก็ไม่ไกลจากที่นี่แล้วนะ่ะจริงๆคือเขาตั้งใจจะมาจำรรษากับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เพื่อนว่ามันมาไม่ทันเข้ารรษาก่อนอยู่ที่โน่นเลยเข้าภรษาแต่อากภาษาแล้วคิดว่ายัางไรก็ไปหาพระพุทธองค์ให้ได้ก็เลยมาหาดันนแต่มันก็เปียกไปหมดนะมันมีน้ําเยอะเละเทอะไปหมดโครนต้มไม่คือมันยังไม่เหมาะสมที่จะไปนะ คือ ด, ดูฝนมันยังมีเสร็จทันดีส่วนมากก็ยูเชีตะวันกับเมืองสาเกตยัง ไ, ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เพียงแตมันมันเข้าภาษาจากที่โน่นก่อนบ้านเราไม่อยียบแล้วเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็โทรศัพท์ไปเนาะโทรศัพท์บายเอาผมจะไปอยูน่นะปีนี้รอสักน้อยหน่อยหรือบางทีก็ขึ้นรถไปแต่ก่อนถ้าโซ่หกเส้นเนี่ยก็ไม่ได้แล้วต้องมีรถรับส่ง ให้ลดรับส่งแต่ก่อนไม่ไม่มีอันธุรกันดานทีนี้อาศัยว่าพระที่มาเนี่ยเปียกปอนหมดนะไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าทุกรูปเนี่เปียกมดนะจีวรชุ่มด้วยน้ำเวลาจีวรมันชุ่มน้ำมันลำบากนะต้องแบดนะัแล้วบางที ทีวันมันเก่าแล้วขาดหลุดลุ่ยไปแต่ก็พยายามที่จะไปให้ทันพระพรุทธเจ้าท่านก็เลยให้อุวาดกล่าวสัมมูลทีนี้ก็ถ า, าถามว่าเธอทั้งหลายมีใจผ่องใสราเริงอาตถานแล้วทรงบอกนะกิจวัตรหรือว่าวัดปฏิบัติที่ควรปฏิบัติต่อกันว่า เขาก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่ว่าองค์นั้นก็ผ่าขาดองนี้นก็ผ่าเปียกองนี้นก็คโครนตม้มมันน่าจะได้เปลี่ยนผ้าใหม่นะออกพรรษาแล้วเนี่ยนะอยู่มาในพรรษาก็สกปรกเนาะหลายอย่างพระลาบากสมัยก่อนนะพระในกลุ่มนั้นนีเขาเลื่อมใสมากนะเปรย์พระยศแสดงธรรมเนี่ยขบวนสมัยโน้นพระกลุ่มเนี้ ตั้งใจไปหาพ ร, าราะพุทธเจ้าพระพุทธแสดงทํามแล้วบรรลุธรรมอันนี้ท่านบอกว่าอนุชานามิพิขเววัดสั่งวัตถุขาวัฏฐานังพิขู่ดังกรถิ่นังอัตถรีตุงพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อให้เธอกรานกรถินมีกลานกระถินแก่พิสูจทั้งหลายผู้อยู่ยมบรรษาท่วนใจมากแสดงว่าสามเดือนเนี่ยสามเดือน แล้วทรงเพิ่มรูปบัญยัติจนจารีตสิกขาบทเข้ามาอีกหน่อยว่าสามารถถ้านะอืถ้าได้รับกรถินคือว่าบังคับให้พระอยู่ด้วยกันมาอสามเดือนก็อยู่ร่วมกันก็ทํานู่นทำนีนำนน้บางทีบางแห่งไม่ได้ทําอะไรนะั่งานร่วมกันเนี่ยปฏิบัติทำอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจนออกพรรษาทั้นก็จะเชื่อมความสามาคัคคีมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทําให้เกิด จิตสาารณะอะไรขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลก็คือทรงอนุญาตให้แกภิกษุให้ผู้ไม่สามารถนำไตรจีวร อ, อย่างบอกว่าเพิ่มนสิกขาบทว่าฉันฉันเป็นกลุ่มก็ได้ปกติยังไม่ได้พรรษาเนฉั น, นีนฉันด้บาทอย่างเดียวนะฉันนาหะเนี่ยฉันในบาทอย่างเดียวฉันเป็นกลุ่มก็ไม่ได้ คือฉันปลำปร ะ, ะได้ไม่ได้ฉันคณะเป็นคณะไม่ได้ปลำปะระคือหมายว่าฉัน้นผ้าเพื่อนะ่ะยังไม่เกินสิบสองนาฬิกาก็จึงเลยชันแล้วชันอีกนะฉั้นนั่นชั้นนี่อยู่น่คือถ้ายังไม่ฝึกสมวัตถุฝึกผ่านสามเดือนไปก็เหมือนเข้มแข็งขึ้นมาก็รู้อะไรเป็นอะไรรู้จักติดอารมณ์รู้จักนิวรู้จักอะไรประมาณนี้กินน้อยกินมากก็พอรู้จักแต่ก่อนหนะ้านั้นเนี่ยมันไม่รู้นะไม่รู้พูดะเดี๋ยวว่าถ้า มีบุญกระถินเนี่ยอันนี้ถือว่าจบที่นี่ก็มีนะเป็นบางวันนะเวลาเราไปทํางานทําการอะไรประมาณ น, นี้ก็จะให้เอาอาหารไปส่งพระหน่อยไปเนี่ยฉันเป็นคณะเวลามีงานนะปกติเขาไม่ให้ทําอันนี้เราก็ทําบางเป็นงานคือมันจะเกิดการคุกครีมันก็มีปัญหาเข้ามาทันทีมีเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวาย มเวลาอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเนี่ยให้ประกอบจีวรในท้ายเลยดูฝนนะประกอบจีวรก็หมายว่าเอาตัวนั้นตัวนี้มาประกอบกันทรงอนุ ญ, ญาตให้เก็บวิสุขให่ผู้ไม่สามารถนำใจจีวรไปได้ให้ขอวิปวาตสมมุติคือการอยู่ปราศจากใจจีวรแก่สงแล้วอยู่ปราศจากใจจีวรได้ ปกติไปไหนเนี่ยเห็นไหมบ า, บางบางรูปบางที่บางแห่งเราไปพาท่านปฏิบัติเคร่งขันท่านจะมีไตรจีวรคาว่าไตรจีวรอวาจจะมีไม่ให้มันขาดให้มีพื้นได้พืนหนึ่งนอนก็ไม่ให้แก่ไม่ให้เปือยทําน้นทํานี้อาบน้บาทำท่าเลยเขาให้มีอะไรบ้างเนี่ยแต่พระบางรูปเขาเข้่งขัดนะ่ะสังฆาติกพาพอยู่บนไหลตลอดในพรรษาจีวรก็ถือตลอดสามผืนคําว่าไตรเนี่ยเขติดอยู่เขาตลอดเวลา เวลาอาบน้ำก็เขาเอาผ้าไว้ในชายคาชายคาห้องน้ำหรือชายชายคากุฏิไม่เป็นเขตจีวราวิภพวา่าสคือเอาไว้ในเขตนะเขตที่พักที่อะไรอาศัยไม่ใช่คนคนหนึ่งโอ้ยลืมจีวรนะวางไว้อยู่โ น, น่นโต๊ะโ น, น, นะ่นอะนจนีวรตัวเองก็นอนไปหยุ่กุฏิแต่จีวรวางไว้ทั่วไปหมด สังคาติบบนี่อันนี้ไม่ได้และทรงอนุให้พิสูจผู้จำมารสาในเซนัสนาปาซึ่งเป็นที่รังเกียจและมีภัยให้อยู่ปรจาจักใจจีวรนได้หกราตรีอยู่ปรจาจักใจจีวรไม่เกินหกราตรีบางทีก็จะมีปัญหานะว่าต้องต้องไม่มีจีวรครบก็ได้ได้อจัจเรกจีวรใหม่มาแล้วก็เก็บได้สิบปันผู้ชนะรับอานิสงส์กรถินเนี่ย ญาตจิวรลาบที่เกิดในอาวาสนั้นพระทรงอนุ ญ, ญาตให้เก่พภิกษุผู้จำพรรษามีกำหนดแต่เดือนท้ายฤดูฝนเท่านั้นหากเธอได้การกระถินแล้วขยายออกไปอีกสี่เดือนใน้ายฤ ด, ดูเหมมันมันก็มีคำนะคาให้คำอธิษฐานคำกระถิ่นในเช่นอัตถะ อันตรังกถินังโูพิฆเวปัญจะ ก, กับปิดสันติดูความพิสูจนทั้งหลายอันนี้ทรงห้าจะสําเร็จประโยชน์ทั้งหลายแกผู้ได้การกถิ่นแล้วเท่านั้นหนึงอนามันตจารุเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาคือไม่เป็นอาบัตินั่นเองที่ยวไปเนี่ยพิสูจนจะไปไหนต้องบอกลานะถ้าไม่ได้ราบอกลาเป็นอาบัติอันนี้ก็ว่าไม่ลาก็ได้คืออยู่ด้วยกันมานานอ่ะ ทำโน้นทำ น, ทำนี่ทำกิจที่ก็พอรู้แล้วคนนี้นี่ใส ย, ยังไงพระองค์นั้นเป็นโน่นนี่อสมาธานาจารุเที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องถือเอาใจจีวรไปครบสำรับจะไปพักที่โน่นคืนหนึ่งถ้าไม่เอาจีวร ไ, ไปครบหรือว่าเป็นจีวาจีวราวิปววาดขาดนะขาดใจจีวรขาดพรรษาไปเลยอะ่ะเพราะไม่ต้องอยู่ครบนะบ า, างทีคณะโพชนังฉันคณะฉันเป็นกลุ่มได้นะหรือว่า ยาวัฏทัตจีวรังเก็บอัติเดกิวรได้ตามความปรารถนาจีอัติเดกีวอนหมายก็บอว่าปกติเรามีอยู่สามเผืนเนาะอันนี้ก็จะมีเขามาถวายนี่เก็บได้ไหมเพราะเก็บได้ได้ตามปรารถนาปรารถนาหมายว่าอายุยืนยาวนานได้มันทีก็อจิรองอัติเดกีวรเก็บไว้ได้สิบวันท่านก็ต้องสละ หรือต้องวิกลับทําเป็นสองเจ้าของกันประมาณนี้แต่ถ้าได้อันนี้ส่งอภิษฐานเก็บอดิเรกีวรได้ตามปรารถนาไม่ต้องอาบัติด้วยปฐมกรถินสิขาบทนนึ่งเขบอกว่าโยจะตัดทะจีวรุ ป, ปาโทโซเนสังภวิตสติจีวรที่เกิดในอาวาสนั้นจะเป็นของได้แก่พวกเธอจีวรนั้นเกิดในอาวาสที่าาหมาย ว, ว่าเวลาเขาาของมาถวายนะ เป็นของแต่ละคนได้คนนี้ก็เออเขาถวายของได้แต่ก่อนนั้นเราจะเห็นนะถ้าบวชมาใหม่ๆเนี่ยเขาเอาอะไรของมาถวายเขาไม่ได้ถวายนะไม่ได้ถวายพระองค์นั้นแต่เขาไปถวายจเจ้าอาวาสถวายประทานส่งไว้แล้วเขาก็จะทําเป็นส่วนกลางเป็นกองคลังเป็นอะไรอาหารการกินนมน ม, นมอะไรต่างๆนี่ยเทามาถวายพระใหม่บวชใหม่เนี่ยเอาถวายนมไปสองลังเนี่โอยเสร็จพอดีแล้วนะตายพอดี ท่า น, นเขาตัวถวายส่วนกลางแต่ว่าถ้าได้อานิสงส์บันสาแล้วก็อาจจะมีบ้างนะถวายอัจจรายกราบที่เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของที่สมควรเก็ยบุตรเพราะวีพระเจ้าท่านก็จะตรัสนะเรื่องแบบนี้ว่าควรทำแบบนั้ น, นในประเทศไทยนี่เขาก็ทำตั้งแต่สมัยนน่นแหละหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบนั่นแหละทำมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็น มีจารึกของพระเจ้าพระคุณศรีอินทราทิตเนี่ยบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงผูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงถือ ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนและเมื่ออบัญชาการกรถินเดือนหนึ่งจึงแล้วการกรถินมีพนมเบีย้ยมีพนมมากมีพานดอกไม้มีหมอนมีหมอนนั่งหมอนนอนมีบริขารบริวารกรถินครบสาธารณชนพิสัทธาปรารถนาจะรักษาพุทธบัญญัติและสิกข ในแล ะ, ละที่ประเพณีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญแต่เพื่ออนุเคราะห์แก่ภิกษุผู้อยู่จำบรรษาให้ได้อา น, นิสงส์กระถินดังกล่าวดังทั้งนี้เพิ่มพูนทั้งทั้งเพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาบารมีราศีให้บังเกิดแก่ตนและญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมามาถึงอภิลักษิตสมัยเวลาทอดกระถินเนี่ย จึงยินดีในการบำเพ็ญกุศลโดยสะทุนทรัพย์ของตนเองเลยชักชวนบริวารร่วมด้วยถวายผ้ากรถินในเดือนในระยะเวลานะในเดือนท้ายคือออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือ น, นี่เป็นเรื่องของการกระถินเนี่ยในเรื่องของกรถินถ้าช้ากว่านั้นก็เป็นพระบาปไปนะคือจะบอกว่าวันที่เท่าไหร่เนี่บอกไม่ได้แต่ถ้าว่าออกพรรษาแล้วก็ไล่ไปเลยเนี่ย สิบำเส้นแลี่ยมสิบขั้แล้วก็ขึ้นสิบห้าขขึ้นสิบห้าคัแล้วก็จบนะก็ประมาณนั้นนั้นอันนี้สงมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็อนุมัตไว้แจ้งชี้แจงไว้ทีนี้ก็เป็นเรื่องของคำสวดกระถินเนะ่ยวัดเราปีนี้ให้คูบาคูบาลุ่งกับคูบาโอ้ยจําไม่ได้แล้วหัวนี่ เออครูบาชัยบาชัยนะสวดนะสองคนก็ไปตกลงกันเาว่าใครจะกลานใครจะใครจะอับประโลกใครจะนะเสนอกอไปถามพระเก่าๆเอาคือ ข, ขยับลงไปเรื่อยๆพอดีที่นี่ก็จะเป็นประเพณีว่าคนมาจำพรรษาที่นี่ก็จะต่อลงไปทำลาดับลำดับลาดั บ, บคนรับกระถินนะี่ะ สำหรับดับไปใครอยู่นานๆใดปรญหาใดอะไรบ้านะนะก็คนต่อมาก็จะเป็นรูปนั้นไปทีนี้ก็ให้ครูบไทยเป็นคนรับกรถิ่นนะครูบไทยรับกรถิน่นสององค์นั้นสวดนะก็ไปท่องให้ได้เด้พอพรพวกที่มาโทษกรถิ่นนี่เงินเขาเยอะนะเนะพราะเงินเยอะนี่เขาจะซื้อหน้าเรา ซื้อหน้าเราเราก็จะขายหน้าทันทีนะ เ, เงินเขาเขามีเงินมาก็ซื้อหน้าถ้าเราสวดไปในเงินเง้างั ก, งากอยู่เขาไปตายประเด็ซื้อหน้าเงินเขาฟาดใส่หน้าขายหน้าขายตาทันทีนะดวงตาก็พร้อมที่จะขายนลขายให้เลยท่า น, นก็ไปท่องเข้ากันไว้เสียงดังฟังชัดสิ้นยิ่งเสียงท่านเข้ากันดีเลยก็ยยพอได้แล้ว วงอื่นก็ไปท่องคำอนุโมทนากรถินไวนะห้ามลิปซิงอันนี้คำอนุโมทนากรถินแล้วคำกาเลีเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาบาลีล้วนๆได้ไหมกาลีตทันติสปัญญาวัฏูุวิมรจารากาลีนาทินังอริยสุขภูตสุตาติสุเนี่ยแล้วก็สัพพีนี่ก็ต้องสามชั้นเลยนะ สัพพิติโยวิปันชันตุสัพโลโควินัสตุมาเทววันตรายุสิกโกภาวะภาวะสัพพิติโยภาวะสัพพิติโยอยู่นั่นนะสามครั้งนสุดท้ายจะเป็นอภิวาทานี่นิสันิจังมุธาภัญญยยนนะอายุวัฒโกด้วยเด้อท่องไว้เนีนหลายอันยังได้ท่องไม่ได้ไม่ได้เลยวันถามลุงปู่สั่งนี่เป็นผู้ชำนาญอ่ะนี่ท่องบทไหนบ้างทพื่จะรู้ท่องไว้พอมันได้กับเขาบ้างนะ วันนั้นโลตาอาจจะไม่ใช้ไมโครโฟนก็ได้เลยเพราะเราหันหน้ามาทางโยมโยก็จะดูปากองไหนเสียงดังมางไม่ดังมากก็เตรียมตัวมีผ้ารับผ้ารับของผ้าอะไรประมาณนี้นเขาถวายสำนับริขารเลยแล้วก็กฐินก็คงเตรียมกว่า น, นั้นประมาณสักสามวัน แต่ในวัดธรมยุทธ์ก็จะเป็นแบบอะไรครับคำกล่กาวคำพูดภาษาบาลีก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นมหานิกายเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เขาจะเป็นอิมิอิมาณิมายังพันเตจีวรานิกติณทุสสะตอี้ปริวานาภูตานิสังคสสะโอโนเจยามสะสานโน те, พันเตปิโกสังโกอีมาณิจีวรานิปฏิคัรหาทุอกข์อมตง ข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายถาวายจีวรนเหล่านี้อันเป็นบริวารแห่งภาคหินแก่สงขอสงจงรับจีวอนเหล่านี้จงของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ด้วยความสุขตลอดสิ้นกาลนานเถื่อนสงก็รับพร้อมกันว่าสาทุรับนะเขาว่าถ้ารับแล้วจงการกระถินด้วยผ้าผืนนี้การก็คือการงานนี่แล้ว นยการงานเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยอันนี้กับการก็หมายว่าเอาเป็นธุระหน้าที่กัเอาผ้านี่มาทํามาทํำสมัยต่อมาในพ ร, <ม>พระพุทธเจ้าท่านอนุมัติหรือว่าเรา่กิจกรรมมันนี้มันยุ่งยากมากน้ะยสำหรับพระสงฆ์โยมก็อยากรับไปทําเพื่อ้ทําให้ทหําให้ได้ไม่ภากรินเนี่ยทําเป็นผืนแล้วมาถวายเลยเนี่ยแล้วพระอนุโมันาเฉยอัปโลกอนุโมันาเนี่ยถวายเป็นของสงฆ์นะไม่ต้องมาเริ่มเย็บย้อมอะไรประมันไป เขาผู้เออดีเหมือนกันเนาะเอาเอาดังนั้นก็อย่าโยมค่ะบอดีทั้งหลายเขาเห็นดีด้วยเขาก็มาถวายผ้ากรถินด้วยที่ไม่ต้องหาไม่ต้องเก็บเศษผ้าไม่ต้องยับไม่ต้องย้อมเขาเอาผ้ามาตามร้านเป็นผ้าเก่าก็ได้ผ้าใหม่ก็ได้ผ้าเก่าเทียมใหม่ก็ได้แจ่เป็นไม่ใช่ผ้าที่ยืมเขามาเช่าเขามาไม่ใช่ผ้านั้นเราต้องมีสิทธิ์อยู่ในผ้านั้นด้วยแต่ยืมเขามาถวายไม่เป็นกระถินกรถินเดาะนะ กระถิ่นดอต่ไม่ถึงกระหักนะเหมือนหัวใจดอเนี่ยหัวใจดอมันจะไม่อะไรแต่ถ้าหักเนี่ยจะดังตบเน อ, อกหักเนี่ก็ี่เขาหมายความว่ากระถิ่นดอยังไม่ใช่กระถินหัก น, นี่แต่มันกะถิ่นดอกระถิ่นหอด้วยมันไม่ครบองค์ไม่ครบคุณสมบัติอก็จะมีคำกลานคำไม่มีคำกลานมีคำอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลย ในช่วงระยะเวลาตัวนี้จะทำวันนี้อันารย น, น, นทำไปท่องไว้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทำ mm hmm. พิกษูรูปเลยประกอบด้วยสีลาทิคุณสีลาสุตตาทิคุณมีสติปัญญาฉลาดรอบรู้ทำแปดประการมาติการมีผูมปกิญเป็นต้นพิษสูรูปนั้นจึงสมควรรับผ่ากฐินนี้ได้บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้พิเศษพิสูุรูปนั่นเถินอันนี้เป็นคำอภิโลมีอันที่หนึ่งกับมีอันที่สองล่ ะ, ะก็ตามมาแต่เวลาสวดนโมเนี่ยเขาจะเป็นมีห้าชั้นนะั่นนโมะฉะนั้นฟังในเทปนะที่สวดวิชัมนะนั่นนโมห้าชั้นเก้าชั้นเหมือนสวดไม่เป็นนะนะที่ทําเทปขายนะ S <S <S <S ทำซีดีขายสวดพิธมอันนี้ก็อาศัยว่าเคยไปอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในโน่นนี่นี่บอกเขาทํำนะสวดสวด น, นโมตัสสะปะกวตาตูลาหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะสัมมาสัมพุทธทัสสะอย่าพูดว่าตัสสะนะอย่าเราพูดสั่งในเวลาให้สินเนี่ยนโมตัสสะปะกวตาตูลาหะโตไม่มีคําว่าอะเข้าไปเ นามตัสสะปะกวาโตราหะโตสมาสมุดาสะนโมตัสสะปะกวาโตลหาหะโตสมาไม่มีคำว่าวะอะต้องชัดถ้อยชัดคำสิถิญทนินอย่างหลวงปู่สังเนี่ยนะเวลาท่านสวดก็จะมีอะย้ำมาเลยท่านลืมฟังไปเวลาให้ศีลให้พรนี่ยนโมตัสสะปะกวาโตลหาหะโตฟังดีๆนะเวลาท่านให ไม่มีคำว่าอะระหะโตสมมานี่ยมันไม่มีอะเนี่ยหายไปต้องไปเพิ่มเติมแต่มาขาดไปทีละน้อยละน้อยละน้อ ย, นอยในคำสอนพระพุทธเจ้านะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโ ต, ะตสมาสัมปวะสะเวลาให้ก็พูดให้มันเป็นเวลาให้พอให้สินเนี่ยนะโมตัสสะปะกวาโตอะรหะถึงมันคุ้ไทายว่าวันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็ ทำเสียงไม่ขึงไม่ดูไม่ขลังไม่อะไรเลยยังกระเดกประถมอ่านอารหโตสัมมาสัมพุทธะนี่นะแต่โยโมโมตนะโมตสสะปะกวาโตาะะโตยมเขาก็เป็นนะแต่วันก่อนเห็นคุณพิยะจับตะละปัดนะเวลาให้สินเนี่ยเขาจตะตะลัปัดมือไหนไม่ใช่อยากจับมือไหนก็จับนะอันตละลัปัดเนี่ย เขามีประเพณีมีวัฒนธรรมงานศพเขาจับด้านนี้งานแต่งงานจับด้านนั้นงานให้ศีลจับด้านนี้นี่มืออยู่ประมาณไหนนะได้จับตะลปัดก็ดูดีๆมันจะหันหน้าเข้ามาหาตัวเองส่วนว่าเราเห็นรูปเมื่อเขาเข้ามาทางเราเอาภาพออกมาทางเขาปกติเนี่ยต้องอมีภาพไปเคาร น, นแต่ส่วนมากเอาเข้ามาข้าไหนอย่างหลวงพ่อองค์หนึ่งนะโยมเขาทวงหลวงพ่อตะลประดู่มันหันหลังไปหาหลวงพ่อนนเนี่ยเตือเอินว่า หลังตะละปัดแล้วจดศีนไว้จนหมดเลยนะนะโยมเขาก็รู้ความลับทีเนาะจดไว้น่าข้อหนึ่งปานาข้อสองอาทินาทามันหันไปหาโยมมดแต่รูปพพุธรูปมาหาทั้งเราเนี่ยมนะันก็ดูดีๆนะจับตรงข้อมันนิวโงชี้ขึ้นตั้งแต่มันตรงตรงหลวงพ่อก็แก้เขินเออไม่เป็นไรๆโยมเว้ยรูปนี้แต่ก่อนเอาให้แต่โยมดูวันนี้ให้อัตมาดูบ้างสข แต่มาก็ไม่ค่อยได้เห็นหันรูปมันเข้ามาแม้นั้นก็สังเกตดูศึกษาดูเรียนรู้ดูจับตลบปัก ด, ด้วยมือขวานะจับไมโครโฟนด้วยมือซ้ายงานมงคล น, นะ งานได้ฉีนงานไลยส่วนมากบางทีบางทีไม่ใช่ส่วนมากเราไม่รู้เราบางทีจับด้วยมือซ้ายงานซ้ายมือซ้ายเขาใช้งานศพนะแต่ธรรมะเราไม่รู้ประเพณีมันเป็นประเพณีนี้ไม่ได้ถือว่าผิดถูกอะไรมากมายเราก็แก้ตามประเพณีถูกได้สบายนะมันมันอยู่ที่เราสังเกตนะบางทีเราไม่รู้จักเขาไม่ได้สอน บางทีถ้าสมมติว่าะจะสักเคสักเคสนี่แต่ก่อนเป็นประเพณีของของโยมเขานะทีนี้เขามาให้พระทำแล้วดูเหมือนขลังดีก็จะมีได้สายสินเนาะสายสินนึงเป็นประเพณีพรามก็จือมาเวลาจะให้สินเนี่ยได้สายสินจะมาประกบตรงตรปัะ ด, ด้วยพอให้สินแล้วก็อาราธนาพระผลิตเป็นตัว ทีนี้เวลาจับได้ใช้ศิลกับตรัพัตตเนี่ยมันต้องเอาใส่ตรงนี้โป้งเราเนี่ยแล้วก็จชี้ขึ้นเนะเอามันพอดีไม่ออกไปไกลไปไกลงานนี้ก็เหมือนกันเวลารับกระถินเนี่ยตรัพัดเราก็จะมีเรียงมีขี่รูปเท่านั้นรูปนะเท่านั้นรูปก็ทำการวางพร้อมกันการขึ้นการลงก็ต้องมีการซ้อมเวลารับกรถินเนี่ยเป็น วะเพิธีที่เราทําที่เวลารับศีลส่วนมากองค์รับศีลองค์ให้ศีลเนี่ยเอเป็นคนรับกระถินน่นไหวพระรับศีลแล้วกเก่าวคําถวายกรถิน่นี่เนี่ยเวลาคําน้าโมนี่เขาจะเป็น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะคือหยุดหายใจครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งนะโมนะอันที่สองก็ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันที่สามว่านโะมตัสสะปะกวาโตตอไปก็อรหะโตสัมมาอันที่ห้านะสัมพุทธทัสสะสัมพุทธที่เราวักเี็ม ต, ตัวไม่ใช่นโะมตัสสะปะกวะโาโตอรหะโตสัมพุทธทัสสะนโะมทัสสะไม่การจังหวะการวาง วาา่านโมูตัสสภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนโมตัสสะภกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้สองอันแล้วนะนะโมตัสสะภกวะโต ร, ะตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาเรียกว่านามโมหะจบขึ้นนามูเนี่ยมันมีประเพณี อประวัตินโมนะพระนโมก็จะมีว่ามันมาจากไหนนโมเนี่ยใครเป็นคนกล่าวทีแรกเขากล่าวสรรเสริญว่าพุทธเจ้านะเนี่ยนโมแต่ถ้านโมบ้านเราเนี่ก็วัดเราเนี่ก็นโมเนี่ก็มาจากบ้าน อ, อันนี้แล้วเพราะว่านโมแล้วก็สวดสุนทรภู่เมฟันเตสังโฆนี ที่ทางสร้างกสักกติสุนทรสร้งอุปนังคือถ้าสมมติมันไม่พร้อมกันเขาก็เริ่มใหม่ไม่พร้อมกันก็เริ่มใหม่ไม่ใช่พูดตามด่าเข้าไปมันไม่พร้อมกันเอาตามก้นเข้าไปไม่ไม่ได้เขาต้องเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มพร้อมกันเลยเป็นคําเสียงเดียวกันนะสุนัตุบางคนเอานั่งหล no ok. no ok no ok The ังเอาไม่ได้แต่เพิ่มกันทำไมสุนัตุสุนัตุก็สุนัตุนะบางคนเป็นสุนัตุไม่ได้นะมันผิดมันเพี้ยนนะผิด ทีขาและสะสถินทินิตเนี่ยคำสูงเป็นคำต่ำคำยาวเป็นคำสั้นก็ไม่ได้ออกเสียง ต, ต่อต่อเป็นถอทุงนี่นก็ผิดต้องให้ถูกจริงๆนะสุนารตุเมพันเตสังโขไม่ได้บอกสุนารตุเมพันเตสังโขไม่ใช่น่ะสุนารตุเมพันเตสังโขคือหายใจครั้งหนึ่งเขาวักครั้งหนึ่งเนี่ยอีทางสังคัสกน็ที่นั่ทุตสังุปันนญง กะทินังยะทิทังสัง ก, กัษปะปัตตะกันหลังกันหลังมีเสียงนาสิกนะเสียงชิวหาเสียงเอาท้องเป็นตะเบงตะเบงอะไรเขาก็ว่าไปตามเรื่องนะแต่สุดท้ายคือเข้าใจหละภาษานี้ว่าความหมายยังไงนะโซโตุนหัต ส, สะยัตสะนักมติโซภาเสัยนะ โสตุ น, นัสยัสะนั ก, กมติโสภาสิยาหินงังอิทังสังเกนะกธินาทุสังอะไรล่ะอย่างรูพูสั่งเงนี่ยชายาท่านอะไรนะเฮโรอีนโ น, ก น, โกนโ่กัญชาโรแล้วก็กัญชาโรภิกุโนใส่ลาไปนะแล้วแต่เดี๋ยวเติมใส่นะ แต่บางทีเราท่านก็เออบวชมานานเนาะก็ได้ตําแหน่งเขาเลื่อนตําแหน่งให้เป็นพระครูอย่างนี้ลุงปูตสังนี่เป็นกัทธินะทุูซึ่งกับพิกุโนย์กัพระครูนิวรธรรมนาจารย์พิกุโนนามะเนี่ยพระครูนิวรนธรรมนาจาย<อ>์เลื่อนตาแหน่งก็ดูดีกัทธินังอัฏฐริตุง ขมทีส yeah, ังขสรซาตสัมมาตุนนิหีตัสสมาตุนนหีทุนนิหีหอหพบสลีเนี่ยฮอนฮูกออกเสียงเป็นขึ้นสูงสูงตัสสมาตุนนิหีเอวเมตังธารยามิทุนนหีนี่หมายว่านิ่งตุนหีแนีว่านิ่งนิ่งไม่มีใครขัด้านนะ เพราะว่าท่านทั้งหลายนิ่งอยู่ขเขาพเจ้าจําเอาตามนี้นะไม่มีใครคัดขันนะสมควรให้กับวงนี้แน่นะดังนั้นก็เอวเมตังเอวเมตังจบนะจบนะะเอวเมตังธาริยามีหีถ้าเขาทักทวงขึ้นมาทักทวงองคหนึ่งว่าโอ้ยบอ๊มอมะสมดอกหลวงปูนง่นี่พระพิตรให้รับกระิน ก็ผิดเลยนะไม่ใช่เสียงส่วนมากนะเสียงเดียวนี่ก็ค้านได้เลยนะคณาเอ ก, กฉันนีเอ ก, กฉันคือมีเสียงหนึ่งเดียวทั้งหมดนะนะให้เป็นทางทิศทางเดียวกันหมดนะไม่ใช่เสียงส่วนมากนะเสียงคนเดียวแล้วก็คนนี้ก็ไปทําการอะไรนะนะกลานกะถินอีมายาสังคาติยากะทินังอัตรามิขะพ้ า, พาการกระถินด้วยผ้าผืนนี้ อิมาเนอิมีนาอันตรวาสกีกถินังอัตรามิการกถินด้วยผ้านุ่งผ้านุ่งผ้าห่มผ้าจีวรอันนี้ผ้าห่มนะพระภิกษุเนี่จะมีผ้าจีวรผ้าสังฆาติคือผ้าห่มเอาไว้ห่มตัวอันนี้น่ะเวลาฤดูหนาวมิล่อะไรประมาณเนี่ยที่เอามาผ้าใส่ไหลเนี่ยทีนี้บางทีวัดบางทีบริวัดวัดภิกษุณีวัดผู้หญิงวัดแม่ชีเนี่ยเขาก็มีถวาย จีวรเหมือนกันก็ถวายชุดแม่ชีถวายอะไรประมาณเนี่ยให้มีบาทมีอะไรเดี๋ยวนี้โอ้โหมีร้านสังกัปป์ญล้านอะไรนะมีห้างนะ่ะห้างสังกัณปัญห้างอะไรที่บางแคโอ้ใหญ่โตโมโลานเขาทําเป็นกิจจลักษณะเลยนะเวลาเราไปซื้อแต่จีวรซื้อของเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นห้างห้างใหญ่โตขายแต่ของพระอย่างเดียว เครื่องสังกทานเครื่องนูนเครื่องนี้แต่เขาทําใหญ่มีแผนกหนึ่งก็เป็นแบบเหมือนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเวยทีฟังธรรมเขาจะจัดพระมาะแสดงธรรมอยู่เรื่อยๆส่วเดือนนี้เอาองค์นี้มาเนี่ยนะเรียกลูกค้านะนะ่ะนะอาทิตย์นี้หลวงพ่อนี่มาขึ้นแสดงนะโยมก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเนาะแล้วก็ซื้อของถวายด้วยแล้วก็มีมีอาคารสําหรับถวายพระทหารฟรีๆที่พระไปร่วมงานนะตลอด มันคือเหมือนทางโลกนะเขาเรียกลูกค้าก็เอาดาราเอานักร้องเอานู่นนี่มาอันนี้เขาเอาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่ไปอย่างหลวงปู่สั่งเนี่ยวเอานี่มณีมณีไปแสดงธรรมอะไรเนี่นแยแล้วคนก็ไปร่วมงานก็ไปซื้อของเขาเดินห้างเขาห้างมันใหญ่โตอ่ะมีมดทุกอย่างที่พี่คิดพระคิดอยากได้อังส่าเนี่ก็มีสิบห้ากระเป๋าใส่มือถือใส่เม็ดมะขามใส่อะไรที่เขี้ยวเนะ่ะใส่เข็มใส่โอ้สารพัดนะ่ะ เป๋ใส่แจ็บเลตใส่อะไรประมาณนี้ยเต็มไปหมดนะ่ะวุ่นวายไปหมดเลยนะ่ะแถงทุงหน้าทุงหลังเหมือนกระเป๋าอังสะกูบาซายนั่นแหละมันหลายแท้กูบาไซว่ากระเป๋าเจ้านี่ยวะใส่หันใส่หนนะีเวลามาปัดกวาดนะ่ะไว้อยู่อืสบงก็มีกระเป๋าหน้าเหมือนเน้นอันนี่มีเป๋าใส่เอล อันนี้ใส่ตังเหรียญอันนี้ใส่ตังแบงค์อันนี้ใส่ตั ง, ง, นนตงลาวตังกีบตังไทยอะไรนะสารพัดคือกิเลสมันเยอะเกินน่ะมันหลายอันก็หายไปมันก็ไม่เหมาะส ม, มนะบางทีเอาได้น้อยสันดดษพอปลูกพอมัดนิดนีดหน่อยพอแล้วแต่ยังว่าแหละขยะราบากย่ามล่ะยา่ยามก็มีลดเนี่ยีโยมเขาซื้อมาถวายลงาุงตามีแบบสะพายนะพอกดสวิตซ์ปุ๊บมันดีออกมาเนี่ยเป็นกระเป๋า สบายห้อยอย่างนี้ได้เลยปกติสาบายบาทเนาะมันมันห้อยโอ้มันอัศจรรย์เลยเนาะนี่ว่าโอ้อยากให้ลวงตาใช้ของดีๆใช้ของดีๆยังไงเกิดพระเห็นมันก็อยากได้แล้วเนาะสุ้มสติไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกโยมถาวายตมาเนี่ยเท่าไรเท่านี้น่นนะตัว น, นี้กระเป๋าตัว น, นี้ไรสามพันสองสามพันสองเปิดเข้าไปไม่มีตังซักบาทไม่มีอะไรใส่บาทหน่วยเดียวเพียงแต่ว่ามันสามารถ แบกก็ได้ประคองก็ได้นะข้างบนนี่ข้างบนเวลาเรากดนะเวลาสะพายไหลไปเวลามันแดดเยอะกดสวิตต้อนี้ล่มจะดีตึง้งขึ้นยังกระของจีนนะนะกั้งหัวไปได้เลยนะเลนี่ยเวลาก็กดสวิตต้องก็ดูดลงมาปพพกติโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วเนาะมันสบายเกินไปอะ่ะนะข้างล่างเป็นเหมือนตีนบาาเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็ขยายตัวออกมามก็กลายเป็นเก้าอี้ให้นั่งได้เลยเวลาเมื่อนะกรนะเ๋านี่นะ ก็ตัว่ะราคาสูงไม่จีก็จะลงตาซื้อลานไหนอันนี้นะพวมีตังเขาจะทําอืมก็จะเอาเลยนะเอาโกโลโกโสนะดีแล้ว ม, มีมากก็ห่วงเลยเฮ้ยเปเากระเป๋าจะมาม่ายอมเดี๋ยวคนขโมยเนี่ยกลัวพระน้อยเขาขโมยกระเป๋าไปกระเป๋าจเจ้าวาดหายเนี่ยมันจะลําบากทั้นก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันหรูหราแหละเป็นธรรมดาธรรมดานี่จบจบไปเนี่ยอย่างนั้นอ่ะได้ แต่ส่วนมากเราไม่เป็นปตามนั้นนะปัญหานะทีนี้คําสวดนะบางทีเวลาสวดกรถิน่นอุปกรณ์เขาถวายกรถินมาเนี่ยกระเป๋าเปนโน่นเปนนี่นะครูถ้าไปซื้อไม้กวาด ซ, ซื้อนู่นซื้อนี่ที่ให้เขาฝากเขาซื้อมาให้ก็สองหมื่นแเนี่ยไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ประมาณนั้นอนะแล้วเจ้าภาพเขาก็เนี่ย เขาไปดูอาคารผู้หญิงในอาคารเนี่ยมมะเนีบอกว่ามันเก่าเนาะลงตาประตูหน้าต่างเนี่ยเขาถามลงตาว่าโอ้โลงตาจะทําอะไรไหมจะสลารื้อทําใหม่ไหมเขาถามนะลงตาโอ้รื้ไม่ได้เรกของเก่าของโบราณวะพวกเยอะได้วเขาว่าเออเยอะก็ช่างมันเถอะทําไปนีเป้นเถอะก็เลยมีความคิดหนึ่งก็คือว่าจะบอกช่างเตี้ย บอกโยมเขาวรือลังคาออกแล้วว่าจะมุงกระเบื้องใส่ซะเฉพาะหลังนี้นะหลังที่ลูกสะดาหล่นใส่ดังๆเนี่ยโยมตกใจตกใจอยู่เรื่อยเนี่ยจนะเป็นกระเบื้องกระเบื้องแล้วก็ไม่ชี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปกวาดละที่เนี้ยทีนี้มันมันเข็มเนาะผละไม้มันหล่นลงมาเนี่ยมันเป็นสนิมมันขาดมันพุห้องน้ําห้องท่าก็เยอะแยะเนี่ยเนี่ยคูบา กกับญาติปีน้องรวบรวมปัจจัยมาให้หลวงตาไปทํำมงน้ํายังไม่ได้ทําเลยกูบอกกว่าหลวงตาผมศึกกวนค่อยทําก็ได้โอ้เสดงว่ามันจะหลีกเลี่ยงหลวงตาว่าคือจะทาอยู่แต่ว่าตรงที่มันเหมาะสมก่อนนะยังไม่ได้ช่างก็ไม่ค่อยได้ช่างอววัยวะเราเนั่นก็จะเป็นว่าอยากได้ช่างอยู่แต่เป็นช่างที่ไม่สูบบุหรี่ที่นี่มันไม่ค่อยว่าง นะพอเขาว่างวัดเราก็ไม่ว่างไม่ว่างก็หมายว่าจะมาตีโป้งบ้างโป้งบ้า ง, อ ง, างตองปฏิบัติธรรมก็อีกละนะครับนะมันยากพอฤดูนี้มันเขาก็จองบ้านทํางานที่เรนที่นี่มันเลือกช่างหน่อยแนละ้วมันยากทีนี้ถ้าเอาช่างสูงสี่สิาเข้ามาเนี่ยของในวัดเราก็หายเวลาเข้ามาเนี่ยสูบบุหรี่อะนรเพระมันวุ่นวายก็ต้องเลือกบ้างนะแต่ถ้าเราทําเนี่ยเราทำํำเราก็พอทําได้แต่มันไม่สวยไม่งาม คือถ้ามันมีจิตตัวใจเนี่ยเราก็ให้เขาล้ำเหมาไปทําเป็นหลังเป็นหลังไว้นะก็จะสะดวกอยู่ทีนี้ก็คงพูดถึงเรื่องบทสวดเวลารับกรถิ่นเนี่ยเขาจะมีบทสวดว่าสวดอะไรมัง่งนะบทสวดหนึ่งสวนนโมท่องใดหรืยอยังนโมพระเราเนี่ไปงานไหนงานไหนก็ได้แต่นโมะขึ้นนโมแล้วก็จบไม่มีเลยต่อไปเวลาขึ้นบทใหม่ก็มิตรเป่าแคนให้ นะพวกที่ลําก็ลําไปเพวกนก็มือโปรมือเป่าแขนเป็นก็มีอันก็ท่องให้มันได้แต่ไม่ไหวไม่สําคัญเท่าไหร่ล็อกอะประมาณนั้นก็เฉยๆก็ไม่ได้ท่องสวดอะไรท่องบางก็ดีอ่ะบางทีหนึ่งนมโมสองสัจจกิริยาคาถาก็คือนัตถิเมสระนังอัญญบุตโตเมสระนังวะรังเนี่ยท้อคนมีอ่ะเนี่ยเอเตนะสัจวัตเจนะหุตุเตเจมังคะลงังพวกที่ท่องได้ส่วนมากจะพวกกินของเก่า หลวงปู่สั่งนี้ก็ตั้งแต่เป็นเนีนนท่องมาได้ทันนต้นบวชเป็นพระนี่ท่านก็ขยันท่องอยู่นะเห็ท่านจดแล้วก็เน็บไปตามฝ่าไปหนักงามอะไรเนี้ยไปดูท่านเป็นคนขยันในหลวงปู่เนี่ยท่องหนังสือแล้วก็จําดีอยู่เลนะาหลวงตาบอกก็ดีเหมือนกันน่ะถ้าไม่ท่องก็หลับก็เลยท่องน่ะดีท่องเดินจิ้มก้มไปกับท่องป้าตัวหนังสือท่านก็สวยงามนะแปดสิบเจ็ดปีนี้ยังท่องอยู่ว่าจะให้สวดปฏิโมกอยู่เนี่ยจะได้ไหมหลวงปู่อ๋อ ้องเอาบ้างดิปฏิโมกปฏิเมกเน่ยจะให้ขึ้นปั่นปฏิโมกของเขาไม่ม่ไอไม่ไม่ไม่ไร่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมโม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไมีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ไม่ม่ไน่ไม่ไม่ไม่ไหม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไร่ไม่ไม่่ไม่ไม่ได่ไ่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไมพรม่ไ่งม่่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม่มไม่ม่ไไมไ เอาเอาดวงบุญด้รนปูุญด้ได้ปัจจัยเลยเอาไห ม, ะ อ, มอะไรนะเขาเขียนไว้นะพูดเึื่องการให้ทานเนี่ยคำกรนลงตากระจำไม่ได้นะจำเขาอยู่ไโยมได้บุญแต่พระนั้นได้ปัจจัยนะแล้วเมื่ อ, อไรจะเลิกบอกบุญพ่อคุณเล ย, ยนะจำไม่ค่อยได้เขาเขียนยาวอย่างทเป็นคำกรนะนะก็ดูดีนะ แล้วก็มีมหากรุณิโก้มหากรุณิโก้ก็คือชยันโตนะ่ะมีนะสวดชยันโตบทหนึง่งเนี่ยเราไปเดินทุดงนี่ก็ท่องไปจำหลังละ่ะสวดไปได้ชยันโตโพริยมูเลสกยานังไปเดตามทางกลับมาได้ได้เลยโทษกถินเนี่ยพุทธังมีพุทธังนะมีทิระ ธนปนามาคาถะสังเวคะอิาาทัตถะคาตโลกเกอุปนโนเนี่ยได้ท่องสี่หลุดเทปาทัคคาถาพาสิตมีทั้งเต น, นะภควตาเนี่ท่องอภิน ญ, ญาโคโซภควา อ, อนุญญาติโคโซภควาการินาถาลวิธานาปาถาสควรมีกรณียเมตกรณีเมตสูตรนะอันนี้เป็นคาถาไล่ผีนะเนี่ยควรมีให้เขาแล้วก็วิรูปัก มีรู้ปักเข๋อันนี้พูดถึงเรื่องคาถาปราบงูปราบพญานาคกันเนี่ยโอ้หลวงตาลืมเอาคลิปมาให้ดูเนาะนะคลิปปราบพญานาคเนี่ยมันขึ้นมาที่เม็กซิ โ, โกนะเม็กซิโกปราบพญานาคมันเป็นปลาเนี่ยที่หงอนแดงๆนี่นะมันเป็นปลาเป็นตัวเลยเนะ่นะถึงกว่าเราไม่รู้นะว่าอันนั้นเนี่ยคือหลวงตาคิดว่ามันมีนะเพราะก็เคยเห็นนะ แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นพญานาคแบบเราเข้าใจว่ามันจะทําบ้างไฟแข่งกันของเราออกภรษาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเป็นปลาใช่ไหมมันเป็นปลาชนิดหนึ่งทันมีอันนี้ก็พวกนักท่องเที่ยวอยู่ตามใจหาดน่ะมันขึ้นมาเขาก็เอาไม้เขี่ยเล่นมันยาวมันก็ลอยไปเป็นปลาพญานาคคือพญานาคบ้านเรานี่ยแหละแต่ทางเม็กซิโกทางอเมซอนทางอะไรเนี่ยน้ำน้ำจืดของมันนิ่งมันอยู่นาน ประเทศไทยเราก็อยู่ตามแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีน้องห่านเนี่ยมีมีปลาพญานาคเนี่ยปลาตัวยาวๆเนี่ยะแต่เราไปใส่หวอนมันยาวเกินเท่านั้นเองเวลาวาดรูปนะเราขึ้นโบสถ์ห่อนยาวถ้าห่อนสั้นก็ดูไม่ดีเนาะก็ใครอยู่ก็เลยใส่ห่อนใส่น่นใส่นี่มันแต่จริงมันมีของมันเป็นปลายาวๆเป็นเป็นพันเศษนิดหนึ่งของมันน่ะเรียกปลามังกอนปลามังกอนมันเราเรียกของพญานาค จีนเรียว่ามังกรแต่มันอาจจะเพี้ยนกันหน่อยคือเหมือนว่าอย่างคนอีสานกับฝรั่งอย่างเงี้ยคนไทยมันก็ต่างกันหน่อยหน่อยฉั้นถ้าไปอยู่เมืองจีนกับรูปร่างหนาตาอาจจะมีหนวดเยอะกว่าเรานี่แต่ประเทศไทยอย่างอีสานนี่ก็เกตเยอะกว่าอย่างเงี้ยมันมีอ่ะเหตัวมันก็ยาวอย่างทหารมันเขาจับได้ในแม่น้ำโขงของเราเนี่ยโอ้ยาวอะ่นะยาว อะไรที่มันสวยๆงามๆมันดูดีมันนั้นเราเขารบทันทีนะพวกเราเนี่ยคนอิสานเนี่ยเขารบดับถือนะพญานาคพระให้ชื่อเป็นพระทันทีนะที่เม็กซิโกนะเขาพึ่งคนเดียวนี้มันเผอไม่ได้นี่มาโผล่เล่นกับคนไม่ได้เขามีมือถือถ่ายทันทีนะถ่ายคลิปถ่ายตัวมันนะนะมันลอยมันว่ายไปตามน้ำเขาก็ลงถ่ายในน้ำได้ หายในน้ำก็ว่ายไปตัวมันยาวๆหลวงปู่เคยเห็นว่าเอ อ, อนนี้วิรูปกเกห์ก็เป็นแบบนั้นเลยล่ะคาถาปราบงูปราพญนาคม่มล ก, กลวนแล้วก็มีออรันตนตัยปนมาปียาชนะคาถาอรังสมะสมพุทโทน หรือสุนักตังสมังกะลังสุปปาตังสุหุติตังสุโโนสุโมโตเนี่คาถาพูดถึงเรื่องเอาการไม่เลือกการเวลาการจะทําความดีเนี่ยทําความดีคนไหนก็ได้ไดโยมเด้ออะไประมาณนั้นอันนี้อันหนึง่งแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้มันได้อยู่แล้วนะภาวะตูศัพท์ภาวะตูศัพเนี่ยลืมเราไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมหรอะเพราะเขาขึ้นคําว่า ภาวะตุสับพมังกาลังเนี่ยภาวะตุสับนี่คือม้วนได้จันทีนะวันนั้นครูบาสันก็นี่จะยิ้มภาวะตุสับก็ยิ้มอยูอ่ไม่เก็บตัทีอะนะเจ้ารุตก็ดึงได้แล้วดึงอี่ก็เอายังไม่มาอีกนะไม่รู้กันว่าเฮ้ยมาดึงก็นอย่างนอปลุกกูนอนหลับบอ่อไม่ใช่เนี่คือได้เวลาตื่นก็เ ต, ตืมันไม่ใช่ปุกให้ตื่นแต่ว่าเป็นเพณงนี้เขาจะม้วนได้เพราะว่าภาวะตุสับจบเนี่ย มันมาถึงประธานส่งแล้วเขาเก็บแล้วพอดีเลยอม้วนมาให้ทันจบอเพราว่าตุเต ส, สทัสโสธีปะวันตุเตเก็บได้แล้วจบทันทีอ่ะอันนี้เก็บเหลีอยงไจบเหลี่ยงไว่าจะเอเก็บได้ปะเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรอยู่เนาะมีประเพณยรีไม่รู้จักมันไม่ได้เจียมกันนะนะคือไม่รู้จักนะ ยิ่มแขวแหงยุ่งหแล้วมันได้จะเก็บได้บปเนี่เนะี่ยราต้องพูดพอเพราะนะเก็บได้หนอครับคุณเสกสรรจะไดมันเทือบริเก็บหมดได้เบิ้องทะยุ่มมังเงทือกอะไรสวดวุไไดแทนทีสีกรมจักหน่อยกัก่ไใดเบิงผู้นันเบืง้งผู้นี้ต้องมองเข้ามาข้างในเลยอันนี้บทสวดที่ต้องใช้นะเราใช้เราก็ไปดูว่า เราก็ไม่เอาเยอะไปะนี้หรอกจะเอาสักน้อยแต่อย่างขาดไปก็คือกาลีเฉยันโตไปนี่นะจะมีแล้วก็อายุวัตโกไปนี่นัดที่มีสารนังอันยังคนมีนะไม่ท่องไว้หลวงตาจะบอกให้เราว่าอะไรบ้างทีนี้มันก็มีว่ากถินเนี่ยมันมีปัญหาอนัตถาตาการอนัาตถตการเนี่ยหมายถึงว่ากระถินไม่เป็นกถินเนี่ยมีอยู่สิบแปดอย่าง กรินที่ไม่เป็นกรินมาทํากระถินเหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่เป็นกระถินเนี่ยที่รียกว่ากรถินเดาะมีเหตุอยู่มีปัญหาอยู่สิบแปดประการว่ายี่สิบสี่สาเหตุมีอยู่ยี่สิบหตยี่สิบสี่อย่างที่มันทําแล้วมันผิดเพี้ยนไปน่นะแล้วมันไม่เป็นกระถินเนี่ยอมีโอกาสก็คุยวันต่อไปนะอา้าวเตรียมตัวกลับพระไปบิณฑบาต